นางนางภาว น, นาสักก้อนหน่อผู้ท่องอินนนันงเอาบุญจะรับพรแลวจะให้พรอันจะรับพรนางภาวนานางทำบุญท่านก็ได้ทำแล้วให้ท่านใสบารแล้วก็ศีลเกตนา ทังว้อนงดเว้นจากบาปดังที่เด้ก้ล่าวมาแล้วสนทนากันเมื่อขึ้นนี่เ <c oughs> ่ศีลศีลหาศีลแปดศีลสิบศีล ส, ส, ส, สองรอยยิเกตร่วมลงมาที่เกตนาเป็นตัวศีลเกตนาหังพิกเวศีลังวทามิเกตนางดเว้น ร่วมขอมมามิศีแลแ้วก็มีภาวนาภาวนาดูใจสมถะกํานดใจให้รู้อยู่อารมณ์อันเดียว mm. รู้อยู่อารมณ์อันเดียววิปัสสนาน้อมไปในการพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลาย นี่ลักษณะแห่งข้อมเป็นจริงคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นธรรมชาติควาว่าไม่เที่ยงมันก็เป็นธรรมชาติของข้อไม่เที่ยงบรรดาสังขารทั้งหลายมันไม่ได้เที่ยงอยู่เป็นปกติมันเคลื่อนไปเปลี่ยนแปลงไปสังขารละรูก รูปร่างกายก็เกิดมากเปลี่ยนไปเ่าไปแก้ไปเก็บ ป, ป่วยไปอันนั้นคือลักษณะของความเปลี่ยนแปลงเอตนาสัญญาสังขารพิญญาณเหมือนกันในขันทั้งหากองขันทั้งหากองเนี่ยเป็นอันเดียวกันเป็นธรรมชาติอันเดียวกันมดเห ม, มันไม่เที่ยง มันเปลี่ยนแปลงกระทังว่ามันทนอยู่เป็นปกติไม่ได้จึงเรียกว่าทุกข์ทุกขังคือความทนอยู่ได้ยากเมื่อมันทนอยู่ได้ยากมันเกิดเป็นอนัตตาในตัวหาความเป็นตัวเป็นตนหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าอนัตตาธรรมลักษณะสามอย่างนี่เป็น ลักษณะที่ให้พิจารณาหะสรุปร่องสรุปทำข้อมลูลข้อมเห็นเมื่อมันสรุปลง่งเมื่อมันเห็นแจ้งเขาถึงคิดถึงใจล้วมันกะว่างมันกะปลอยกะว่างเหมือนบุคคลกรรมข้องูพิษที่แรกนึกว่าปลาไหลนึกว่าเป็นปลาเมื่อดูลรอเอา้ามันเป็น งูพิดตัวมันก็สลัดเองแล้วไม่ต้องได้บอกหรอกมันว่างสลัดเองนี่กิตเมื่อมันมีปัญญาเห็นรู้ความกิ่งอุปทานที่มันยึดมันถืออยู่เนะี่ยมันปล่อยเองมันว่างเองยังว่าเป็นปัจจตังเวเป็นเองรู้เองเห็นเองว่างเองขอแต่ว่า ทิจารณาให้ถูกตามหนทางตามลักษณะแห่งความเป็นจริงในเมื่อปัญญารู้จริงเห็นจริง น, นั่นแหละว่าถอนทุกข์ถอนตันหาถอนความลงถอนด้วยปัญญาเึงเป็นสิ่ง สำคัญการเจริญสมถะเจริญวิปัสนาอันนี้เป็นการทำงานเพื่อชำระเพื่อออกเพื่อถอดเพื่อถอนสิ่งที่เป็นขาศยุคขับใจใจเองละมันเกิดยุครับใจนพอมันความหลงมันละเป็นเชื่อ นี่หลงในรูห ล, ลงในเวทนาสัญญาติทังคานทั้ง ญ, ญาตเรียกว่าหลงในกรรมทั้งหมดกามมคุณกามมคุณหารูเวทนาอรูเสียงกินรสสัมผัสโพธะเรียกว่าการสัมผัสรู <c oughs> เสียงกินรสโพธะทำมาลม้ม อารมณ์พอใจกับเป็นกามอารมณ์ไม่พ่อใจก็เป็นกามควางสัมผัสที่พ่อใจก็เป็นกามที่ไม่พ่อใจก็เป็นกามจึงว่ากามมขุนกามะกา ม, มโมมาหลงอยู่ในกามมขุณนี่มีโทษมากทํำให้ร้อนทําให้ร้อ น, ท, อนทําให้วุ่นวายทำให้ ความเป็นรรมหมดไปสมาธิร้ำตั้งมันอยู่ในการรูก้การเห็นตามเป็นจริงก็แตกสลายไปถ้าหากว่าหลงในห <c oughs> ลูกเสียงกินรสโพธพภะธรรมล่มคือหลงตามไปหลงตามไปหลงว่ามันเป็น ตัวเป็นตนว่ามันเป็นของจริงเป็นของที่ชอบอกชอบใจพ่อใจนี่ทำไม่หลงรูระว่างว่างมันก็สบายนี่ละดานดานสุดท้ายที่จะทำลายกงก ร, รมของวัตทสงสารหรือกำแพง กำแพงของวัฏฏะสงสารทำร่ายกำแพงของความหลงที่เป็นสมุทัยที่ว่าหลงในการมาตันหาพะวะตันหาวิพะวะตันหาเนี่ยถ้าทำร่ายตัวนี้ด้วยปัญญาวิปัสนาถึงอาศัยศีลสมาธิ เป็นพื้นฐานเป็นฐานกําลังรวบร่วมเขามากเลยมาลู้ด้วยปัญญาญชอบยังจะถอนคำว่ า, าลูกสอนคือตัณหาตัณหาสามความอยากสามประเภท อำมาตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาถอนข้ามลุ่มข่อมหลงด้วยสติอันชอบด้วยสมาธิอันมันคงด้วยปัญญาอันแยบค่ายนี่จึงจะถอนได้ถ้าไม่มีวิชชาคือศีระวิสุทธิสมาธิ จิตตวิสุธิมันเรียกว่าสมาธิศีระวิสุธิจิตตวิสุทธิปัญญาวิสุทธิสามอย่างเนี่ยมันจะเป็นวิสุทธิได้ก็ต่อเมื่อมันประกอบด้วยปัญญาที่รู้จริงเห็นจริงปชุ่มล่องโซการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริง อันละมันจึงจะจบกันเรื่องของถูกเกิดแก่เก็บตายเรื่องของความถูกใจไม่สบายใจอันนี้มันเป็นมันอยู่ในขันโรคกิยะสุขโรคกิยะสมบัติหลงกันอยู่นี่เป็นถูกวนเวียนกันอยู่นี่ ระสรการปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติต่อกายว่าใาใจปฏิบัติต่อใจฝึกใจให้มีปัญญาณชอบนี่ยังเขาจะเป็นตัวแก่ตัวปศเปืองความหลงทั้งหลายทั้งปวงจึงว่าโอปัญิโกน้อมเข้ามา น้องเขามาหาเจ้าของ <c oughs> มาดูใจน้องเขามาดูใจน้องเขามาดูกายน้องเขามาดูถ้ำเนี่ยถ้ำกรลูกก็ะถ้ำนามาถ้ำกายกับใจ <c oughs> ดูด้วยความเพียรด้วยสติดูด้วยสมาธิมันคง เมื่อแจมแจงขึ้นมันก็จะลุดมันจะสลัดมันจะว่างว่างภ้าในจิตใจนั่นแหละอันจึงจะเป็นผู้หมดภาระถ้าพอกแก้ตัวนี้ด้วยสติปัญญาท่าท่าค้อมเพียนรู้ว่าจุด นี่แหละเรียกว่ามันเป็นบาดเป็นแผลเหมือนกันกับหมอรู้ว่าบาดแผลอยู่ตรงไหนต้องสละอต้องสละข้อมเก็บค้อมปวดอไม่หวงไว้เด้ต้องสละสละหมอต้องตัดต้องผ่าต้องเชื้อเอาไปอรักษาเพราะมันเป็นแผลเนา่าแผลเปื่อย จะไม่เสียนออกให้เป็นแผลสดลหรอรักษายากเพราะฉะนั้ น, ร, นรูจุดในที่ความลุ่มความหลงมันมีอยู่มันยึดอยู่ติดอยู่มันว่ามีความสุขอยู่ในจุดนั้นต้องเสียสลระความสุก น, นั้นเอาความถูกเข้าไปทาความเพียนห้ถึงที่สุดแห้งถุกอ่า เรียกว่าสละออกมันจึงจะหมดเชื่อที่จะให้เน่าให้เกิดทุกข์ต่อไปเนี <c oughs> ่ยทุกข์เพราะความหลงความหลงในความสุขหลงในความทุกข์วันนี้ว่ากามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา มาภาวนาพิจารณ า, า, าแยกแยะภายในจิตของเจ้าของเนี่ยจิตของห้าเองแกจิตของห้าได้ละแกตัวของเล่าได้รักษาตัวของเราได้รูจิตรูใจรักษาใจของเจ้าของได้ด้วยสติสมาธิปัญญาแล้วมันก็ดีหมดละเมื่อห้าดีแล้ว ทูกสิ่งถูกอย่างก็ดีหมด <c oughs> <c oughs> นี่การประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมร่วมขม่าเป็นเรื่องของใจเพราะสร่างจริงว่าถ้มกำหนดใจให้ใจร่วมขมาสู่ใจเป็นสมาธิแล้วก็พิจารณาให้สรุปลงสู่ อันนี้จังทุกครังหน้าตาให้เห็นอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาตามเป็นจริงเลอจึงจะจบการจบงานกัน <c oughs>